ธรรมบทแปลเรื่องพระจิตตหัตเทระภาคที่สองเรื่องที่28พระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันทรงปรารพระเทระชื่อจิตตหัตะตรอดพระธรรมเทศนา น, านว่าอนัวัตติตะจิตตสสะสัทธมัง วิชานโตป ร, ริละวะปะสาทัสสะปัญญาณะป ร, ะริปูรติอะนะวัสสุตะจิตตัสสะอะนันวาหตะเจตโสปุญญะปาปะปะฮีนัสสะนัติชาคระโตพยังแปลว่าปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตไม่มั่นคง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 ที่หายไปอยู่จึงเข้าไปในป่าพบโขตัวผู้ในเวลาเที่ยงปล่อยเข้าฝูงแล้วคิดว่าเราจะได้วัตถุสักว่าอาหารในสำนักของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแน่แท้เขาถูกความหิวกรายรบกวนแล้วจึงเข้าไปสู่วิหารถึงสำนักของภิกษุทั้งหลายไหว้แล้ว ได้ยืนอยู่นะที่ส่วนข้างหนึ่งในสมัยนั้นแลอาหารที่เหลือจากภิกษุทั้งหลายฉันแล้วยังมีอยู่ในถาดภิกษุเหล่านั้นเห็นเขาหิวกระหายจึงกล่าวว่าเชิญท่านถือเอาอาหารกินเถิดเขาชื่อว่าในครั้งพุทธการแกงและกับข้าวมากมายย่อมเกิดขึ้น เขารับพัดพ่อเยียวยาอัตภาพจากถาดนั้นบริโภคแล้วดื่มน้ำล้างมือไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้วถามว่าท่านก็รับวันนี้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ไปสู่ที่นิมนต์มาอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าคุูบาศกวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์ภิกษุทั้งหลายย่อมได้พระตาหารเนืองเนือง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 จึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบัญปราชาแล้วลำดับนั้นผวกภิกษุพูดกับเขาว่าดีแล้วอุบาสกจึงให้เขาบัญปราชาแล้วเขาได้อุปสมบทแล้วทำข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นอุปการะแก่ภิกษุทั้งปวงเธอได้มีร่างกายอ้นวนท้วนโดยการล่วงไปสองถึงสามวัน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 โดยสองถึงสมวันเท่านั้นแต่นั้นเธอจึงมีความคิดว่าเราจะจมปลักอยู่กับทุกนี้ทำไมเราจะเป็นสมณะดังนี้แล้วก็กลับมาบวชใหม่เธอยับยังอยู่ได้ไม่กี่วันก็เกิดความกระสันขึ้นแล้วก็สึกอีกแต่เธอได้มีอุปการะกับพวกพิกษุในเวลาบวช โดยสองถึงสมันเท่านั้นเธอก็ระอาใจแม่อีกคิดว่าเราจะเป็นกระหัดอยู่ทาไมเราจะบวชจึงไปไหว้ภิกษุทั้งหลายขอบรประชาแล้วลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายก็ให้เขาบรประชาอีกแล้วด้วยอำนาจแห่งอุปการะเขาบวชแล้วก็ศึกอยู่อย่างนี้ถึงหครั้ง ภิกษุทั้งหลายคิดว่าภิกษุรูปนี้เป็นไปในอำนาจแห่งจิตเที่ยวไปอยู่จึงขนานนามแก่เธอว่าจิตตหัตเทระเมื่อนายจิตตหัตถเที่ยวไปไปมามาอยู่อย่างนี้เที่ยวภรรยาก็ได้เริ่มตั้งกันแล้วในวาระที่เจ็เขาแบกเครื่องไถจากป่ากลับไปเรือน วางเครื่องไถนั้นไวแล้วเข้าห้องด้วยประสงค์ว่าจะหยิบผ้ากาสายะของตนในขณะนั้นภรรยาของเขากำลังนอนหลับผ้าที่หล่อ น, นุ่งหลุดลุย่ยน้ำลายไหลออกจากปากจมูกก็กรนดังครืดครืดปากอ้ากัดฟันลอนปรากฏแกเขาประดุดร่างกาย ที่ขึ้นผ่องเขามีความคิดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราบวชตลอดการประมาณเท่านี้แล้วอาศัยร่างกายนี้จึงไม่สามารถดำรงอยู่ในความเป็นภิกษุได้ดังนี้แล้วก็ช่วยผ้ากาสายะพันท้องพลางออกจากเรือนขณะนั้นแม่ยายของเขายือนอยู่ที่เรือน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 มีความรำคาญไปเสียแล้วจึงตีลูกสาวแล้วกล่าวว่านางชาติชั่วจงลุกขึ้นผัวของเจ้าเห็นเจ้ากําลังหลับมีความรำคาญไปแล้วตั้งแต่นี้เจ้าจะไม่มีเขาละ่ะดังนี้ลูกสาวจึงกล่าวว่าหลีกไปหลีกไปแต่แม่เขาจะไปไหนกันอีกสองสามวันเท่านั้นเขาก็จะกลับมาอีก แมในจิตตะหัตตะนั้นเดินไปก็บ่นไปว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาบรรลุโสดาปฏิพลแล้วเขาไปไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้วก็ขอบรนประชาภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกเราไม่อาจจะให้ท่านบรประชาได้เพราะความเป็นสมณัรีของท่านจะมีมาแต่ที่ไหนศีรษะของท่านเช่นกับหินรับมีด เขาจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านขอรับพวกท่านโปรดอนุเคราะห์ให้กับผมบวชในคราวนี้อีกคราวหนึ่งเถิดภิกษุเหล่านั้นจึงให้เขาบวชแล้วด้วยอำนาจแห่งอุปการะโดยสองถึงสมันเท่านั้นภิกษุจิตตะหันทะก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาภิกษุแมเหล่านั้น พูดกับเธอว่าท่านจิตาหัตต ท, ท่านควรรู้เวลาที่ท่านจะไปได้โดยแท้ทำไมครั้งนี้ท่านจึงชักช้าอยู่เล่าจิตาหัตจึงกล่าวว่ากระผมไปแล้วในเวลาที่มีความเกี่ยวข้องดอกครับก็ความเกี่ยวข้องนั้นกระผมได้ตัดแล้วต่อไปนี้กระผมไม่ไปอีกแล้วพวกวิสุ จึงพากันไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุจิตตหัตถานี้ถูกพวกข้าพระองค์พูดอย่างนี้เธอก็กล่าวคำขึ้นอย่างนี้เธอพยากรอราตผลเธอพูดคำไม่จริงพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงบุตรของเรา ได้ทำการไปและการมาในเวลาที่ไม่รู้พระธรรมในเวลาที่ตนยังมีจิตไม่มั่นคงแบด น, นี้บุตรของเรานั้นละบุญและบาปได้แล้วและได้ตรัสสองพระคาถาเหล่านี้ว่าปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระธรรม มีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่สมทสาบมีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบละบุญและบาปได้แล้วตื่นอยู่บาลีว่าอหะนะวัตติตะจิตตสะสัต ร, รมังอ ว, วิชนณโต ปาริละวะปะสาทัสสะปัญญานะปะริปุรติอะนะวัสุตะจิตตัสสะฮะนันวาหะตะเจตาโสปัญญะปาปะปะหีนัสสะนัตติชาคระโตพะยังก็ในบรรดากรรมเหล่านั้นคำว่าอะนะวัตติตะจิตตัสะแปลว่า ผู้มีจิตไม่มั่นคงพระศาสดาทรงแสดงเนื้อความว่าชื่อว่าจิตนี้ของใครใๆไม่มีแน่นอนหรือมั่นคงก็บุคคลใดไม่ดำรงอยู่ในภาวะไหนๆเหมือนกับฟักเขียวที่ตั้งไว้บนหลังมา้าเหมือนกับหลักที่ปักไว้ในกองแกลบเหมือนกับดอกกระทุ่มบนสีษาล้าน บางคราวก็เป็นเสวก์บางคราวก็เป็นอาชีวะกะบางคราวก็เป็นนิครนบางคราวก็เป็นดาบทบุคคลเห็นปานนี้ชื่อว่ามีจิตไม่มั่นคงปัญญาอันเป็นกามาวจรก็ดีอันต่างด้วยปัญญามีรูปาวจรเป็นต้นก็ดีย่อมไม่บริบูรณ์แก่บุคคลนั้นผู้มีจิตไม่มั่นคง ไม่รู้พระสัตย ธ, ธรรมนี้อันต่างโดยโพธิปักยียธรรม37ประการชื่อว่ามีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยเพราะความเป็นผู้มีศรัทธาน้อยหรือเพราะความเป็นผู้มีศรัทธากรอนแกลนเมื่อบัญญาแม้เป็นกามาวจรไม่บริบูรณ์บัญญาที่เป็นรูปาวจร อ, อรูปาวจร และโลกุตระจะบริบูนได้แต่ที่ไหนเราก็คำว่าหะนะวัสสุตจิตตสสะแปลว่าแกผู้มีจิตอันราคะไม่สึมทราบได้แก่ผู้มีจิตไม่ชุ่มแล้วด้วยราคะในคำว่าอะนันวาหตตตะตเจตโสแปลว่ามีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบ พระผู้มีประภาคทรงตรัสความที่จิตถูกโทสะกระทบแล้วไว้ในอาคตะสถานว่ามีจิตถูกโทสะกระทบแล้วเกิดเป็นดังเสาเขื่อนแต่ในคําว่ามีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบนี้บัณฑิตพึงทราบเนื้อความว่าผู้มีจิตอันโทสะไม่กระทบคําว่า อุญยะปาปะปะหีนัสะแปลว่าละบุญและบาปได้ได้แก่ผู้ละบุญและบาปได้ด้วยมรรคที่สี่คือผู้สิ้นอาสวัตแล้วข้อที่ว่านณทิชาคาระโตพยังแปลว่าภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ตื่นอยู่หมายความว่าความไม่มีภัย ดูเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้สำหรับท่านผู้สิ้นอาสวะตื่นอยู่แล้วก็ท่านผู้สิ้นอาสวะนั้นชื่อว่าตื่นแล้วเพราะประกอบด้วยธรรมเป็นเหตุในเครื่องตื่นทั้งหลายมีสัตธาเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านตื่นอยู่คือตื่นนอนก็ตามยังไม่ตื่นคือยังนอนหลับก็ตาม ไยคือกิเลสชื่อว่าย่อมไม่มีเพราะกิเลสทั้งหลายไม่มีการหวนกลับมาจิงอยู่กิเลสทั้งหลายชื่อว่าย่อมไม่ติดตามท่านเพราะกิเลสทั้งหลายที่ท่านละได้แล้วด้วยมรรคนั้นนั้นไม่มีการหวนกลับมาหาท่านอีกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระบารเจ้าจึงตรัสว่า พระอริยบุคคลละกิเลสเหล่าใดได้แล้วด้วยโสดาปติมัคเธอย่อมไม่มาหาคือไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกพระอริยบุคคลละกิเลสเหล่าใดได้แล้วด้วยสกิทาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตมัคเธอย่อมไม่มาหาคือไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีก เทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนแล้วต่อมาวันหนึ่งพิชิตทั้งหลายสนทนากันว่าท่านผู้มีอายุขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้หยาบนักกุลบุตรพูดถึงพรอมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัสต์เห็นป่านนี้ยังถูกกิเลสทำให้มัวหมองได้ต้องเป็นเคระหหัสเจ็ดครั้ง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 ดยเรื่องชื่อนี้ใ น, นนี้แล้วจึงได้ตรัสว่าอย่างนั้นนั่นแหละพิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหลายย่อมเป็นสภาพหยาบถ้ากิเลสเหล่านี้มีรูปร่างอันไกลๆพึงสามารถจะเก็บไว้ได้ในที่บางแห่งไซจั ก, กรวาลก็แคบเกินไปปรมโลก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 เราเคยอาศัยข้าวฟ้างและลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจอบเฮียนอันหนึ่งบวชแล้วศึกถึงหครั้งภิกษุเหล่านั้นกราบทูลถามว่าในการไรพระชาคา่ a พระผู้มีพระภาค ต, ตรัสว่าพวกเธอจะฟังอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระช oka ถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงฟัง แล้วจึงได้นำอดีตนิทานมาเล่าตรัสว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าบรมทัตเสวยราชาสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีบุรุษผู้หนึ่งชื่อว่ากุท ธ, ธาละบันดิตบวชเป็นนักบวชภายนอกอยู่ในป่าหิมวันแเดือนเมื่อปูมิภาคชุ่มชื้น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 ในเวลาที่มเมล็ดพืชแก่ก็เกี่ยวเก็บพืชไว้ประมาณทนานหนึ่งเกี่ยวกินพืชที่เหลือท่านคิดว่าแบบ น, นี้ประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราเราจะบวชอีก8เดือนเขาจึงออกบวชแล้วท่านนั้นก็ใสยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงหนึ่งทนานและจอบเฮียนอันหนึ่ง เป็นเครือข่ายเจครั้งบวชเจครั้งโดยทำนอง น, นี้แหละแต่ในครั้งที่7、คิดว่าเราอาศัยจอบเฮี้ยนอันนี้เป็นเครือัดแล้วบวชถึงเจครั้งเราจะทิ้งมันในที่ไหนไหนสักแห่งหนึ่งท่านจึงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วคิดว่าเราเมื่อเห็นที่ตกคงต้องลงงมเอา เราจะทิ้งมันโดยอาการที่เราจะไม่เห็นที่ซึ่งมันตกเขาจึงเอาผ้าเก่าห่อพืชประมาณขนานหนึ่งแล้วผูกผ้าเก่าที่แผ่นจอบจับจอบที่ปลายด้ามยืนที่ฝั่งแห่งแม่น้ำหลับตาแกว่งเวียนเหนือสีสักสามครั้งกว้างไปในแม่น้ำคงคาหันไปดู ไม่เห็นที่ตกได้เปล่งเสียงสามครั้งขึ้นว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วหนังนี้ก็ในขณะนั้นพระเจ้ากรุงพารณาณสีทรงปราบปัจจันตชนบทให้สงบราบคาบแล้วเสด็จมาโปรดให้ตั้งค่ายพักใกล้ฝั่งแม่น้ำเสด็จลงสู่แม่น้ำ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 ก็ด้วยเรื่องเราชนะส่วนเธอร้องเรียกว่าเราชนะเราชนะแล้วนี่เรื่องอะไรกันกุณฑรัณฑดิตจึงทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะที่พระองค์ทรงชนะแล้วย่อมกลับแพ้ได้อีกส่วนโจรคือความโลภซึ่งมีในภายในข้าพระองค์ชนะแล้ว โจรคือความโลภนั้นจะไม่กลับชนะฆ่าพระองได้อีกชนะโจรคือความโลภนั้นอย่างเดียวเป็นความดีอย่งนี้และกุตตาลาบัณฑิตจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นมิใช่ความชนะที่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้ความชนะนั้นแล เป็นความชนะที่ดีก็ในขณะนั้นเองท่านแลดูแม่น้ำคงคายังกสินมีน้ำเป็นอารมณ์ให้บังเกิดัรรลุกุณวิเศษแล้วนั่งขัดสมาธิในอากาศพระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระมหาบุรุษไหว้แล้วทรงของบวชทรงผนวดพร้อมกับหมู่พล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 ทรงผนวดโดยทานอนเดียวกันนี้ได้มีอาสมตั้งขึ้นแร่ไปถึงเจ็ดโยต์พระราชาเจ็ดพระองค์ก็ทรงสลักโปกาทั้งหลายพาชนมีประมาณเท่านี้บวชแล้วพระมหาบุรุษอยู่ประพฤติปรมจันเป็นผู้เข้าถึงปรมโลกแล้วพระศาสดา รั้นทรงนำธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าพิสุทัหลายกุฏาละบัณฑิตในการนั้นได้เป็นเราในบัดนี้ขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้เป็นสภาพหยาบอย่างนี้แหละเรื่องพระจิตตัทธะเทระ